เหตุไรแผ่นดินจึงไหวอีกเล่าสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสมเด็จพระมหากรุณาเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิกขเวดูราณะิิษุผู้ตั้งอยู่ในศีลพื้นแผ่นดินจะกำปนาดหวาดหวั่นไหวด้วยเหตุ8ประการและปัจจัยแประการเท่านั้น อาทันอยู่นวโมเหตุและจะมีเศษเหตุอีกเป็นคำรบก้าสมเด็จพระพุทธเจ้าได้ตรัสในคำพีที่ไหนหาไม่ได้ก็ทำไมพระเวสสันดรโพธิสัตว์เจ้าให้ทานแผ่นดินไหวนี้มีเศษเหตุคำรบก้าโยมคิดคิดก็สงสัยถ้าว่าพระพุทธฎีกาตรัสไว้ว่าแผ่นดินจะไหวด้วยเหตุแปประการ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 ดูราณะภิกษุทั้งหลายอันทรงปาติโมคสังวรวิสุทธิศีลพระสุธาตลังแผ่นดินจะ ก, กำปนาหวาดวันไหวก็ด้วยเหตุ8ปดประการและปัจจัยแปดประการพระพุทธดีกาตรัชนโยมคิดดูเห็นว่าพระพุทธดีกานี้เป็นสองไม่ต้องกันอายังอุพโตโกติโกปัญโหปัญหานี้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 ก็วันไหวไปพร้อมกันกุมพิลาติมิมัชกัชปาอันวจจระเคเฮราปราชื่อติมีเป็นปลาวานเต่าปูก็ว่ายวนเป็นหมู่หมู่วุ่นวายสะลีละอุมมิอยู่ลูกระลอกเป็นหมู่หมู่คู่คู่กันก็ปรากฏชละจราสตาจรันติสัตว์ทั้งหลายอันว่ายคล่ำอยู่ในน้ำนั้นก็สัญจรไปมา วิจโยนาธังนทันติลูกระลอกนั้นก็บรลือลั่นเสียงพิลึกโครมครืนพุพพุลาลูกคลื่นพัดเสียงพิลึกแล่นไปมาเพนุมาลาก็กร้อยกล่นเกลื่อนพระสมุทรสะเทือนสะทานลมโต้ต้านให้ไหลท้องกระแสปแปรทั่วทิศาหน้าครุตอสุรยักษาขุภิชิงสุก็พากันตื่นเต้น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 สว่างไปยอดหนึ่งแก้วทั้งหลายจึงไม่ดียิ่งกว่าจักรวัติมณีความนี้จะเปรียบฉันใดทานคนทั้งหลายซึ่งให้นั้นจะได้มีคุณเท่ากันกันกบทานพระเวสสันดร น, นี้ไม่มีเปรียบดุจมณีทั้งหลายในพื้นปัตภีอันจะดีล่วงไปจากจักรวัติรัตนะไม่มีหาไม่ได้เหตุดังนั้น เมื S <S. <S. ่อสมเด็จบรมมาทนาธิปดีสีเวสันดอนบ่พิษทรงพระประสาทอํานวยทานนั้นแผ่นดินไหวสิ้นเจ็ดครั้งบ่อพิจงทรงพระสวนาการฟังให้เข้าพระทัยในการบัดนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ฟังพระนาคเษนวิสัชนาดังนี้ก็สิ้นสงสัยก็สรรเสริญพระนาคเษนโดยในวิสัชนามาแต่หนหลังนั้น มหาภูมิจารณะปาตุภาวะปัญหาเป็นคำรบสี่จบเท่านี้